ตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้ดีเราเกิดมาในโลกนี้ก็ให้นึกว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบา ร, รมีนี่ก็เคยพูดเตือนอยู่ไว้บ่อยไม่ใช่เกิดมาเล่น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 เสียงเนี่ยี่เสียงคำพูดคำจาต่างๆ น, นี่มันก็มีอยู่ในนี่นี่กลิ่นอย่างนี้นะมันก็มีอยู่ในนี่ในกายเนี่ยรสก็มีอยู่นี้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็มีอยู่ในนี้เราคิดดูจะมีอยู่ที่ไหนล่ะ <c oughs> มันมีอยู่ในนี่แล้วทีนี้เมื่อเราเพ่งดูในนี้เห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่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 จะไม่ยุติลงได้เลยการท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้นะก็จะต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้ร่าไปอยู่นั้นหลยเรียกว่าเราท่องเที่ยวเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมีเพื่อให้มันเต็มแต่ว่าบางคนก็ลืมตัวป่ะนี่น ะ, ะตนเกิดมาแล้วนึกไม่ได้เลยว่าตนเกิดมาสร้างบุญบารมีนึกไม่ได้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 มืดแต่ด้านเอาจริงๆเนี่ยไม่รู้ว่าตนเกิดมาเพื่ออะไรอะไม่รู้จุดประสงค์เลยอ่นั่นแหละทีนี้ผู้ที่เคยมีสติสัมปชัญญะเคยมีศรธรรมมั่นในบุญในกุศลมาแต่ชาติก่อนนู่นพอเกิดมาชาตินี้บุญเก่าเนี่นแหะมันมามันมาเตือนใจให้ระลึกได้ให้ระลึกว่าเออนี่เราเกิดมานี่ เราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมีเอบุญบารมีที่เราทํามานะั้นมันยังไม่เต็มมันยังน้อยอยู่จําเป็นที่เราจะต้องพยายามสร้างบุญบารมีให้มันมากที่สุดในชีวิตของเราแล้วก็นในขณะเดียวกันสิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษเราจะพยายามละเว้นให้มันหมดไปเลยเอจากไม่สะสมมันไว้ขึ้นชีวบาปเพราะมันก่อให้เกิดทุกข์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 ผู้ใดรู้ตัวได้แล้วอย่างนี้มาสำรวจกวดดูตนของตนนะเมื่อไปเห็นว่าความชั่วอันใดมีอยู่ในจิตสันดานของตนนะอย่างนี้เราก็เพียรพยายามละให้มันหมดไปสิ้นไปจา ก, กจิตใจให้ได้นี่นะว่าเป็นวาสนาของผู้นั้นเลยผู้นั้นเกิดมาเพื่อชำระล้างตัวเองที่ส ก, กปรกมัวหมองมาแต่ชาติก่อนนู่น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 นี่เป็นน้ำสำหรับล้างความโกรธความเยยตาบาดต่างๆให้ออกไปจา ก, ก จ, จิตใจนี่ไอความโกรธความเยตตาบาดต่างๆหัวนี้บุคคลจะไปเอาสิ่งอื่นมาล้างนะมันไม่ได้นะไม่ได้มันไม่ออกละมันไม่ยอมออกจา ก, ก จ, จิตใจเลยถ้าไปเอาสิ่งอื่นจะไปเอามนกษ์คนคาถาอันวิเศษใดๆในโลกนี่ก็าตามเลยมาสาธยายมาบริกรรม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 มันมีความมุ่งหมายอยู่อย่างเนี้ยเราจะไปเอาคาถาอาคมอื่นมาสาธยายกําจัดมันจะไปได้ยังไงอ่ะนั่นแหละมันก็ต้องเอาความเอ็นดูกรุณานี่แหละมาลบล้างกันเนะมื่อน้มจิตใจลงเครื่อความเอ็นดูสงสารอในฐานที่เกิดมาแล้วเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเรียกว่าเป็นเพื่อนทุกขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนะไม่ใช่ว่า เป็นผู้วิเศษมีชีวิตยั่งยืนอะไรอ่ะเราเกิดมาแล้วแกเจ็บตายฉันใดคนอื่นก็แกเจ็บตายเหมือนกันนะไม่มีใครจะยั่งยืนอยู่ในโลกนี้ได้ตลอดไปเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะไปเบียดเบียนเขาจะไปทำลายล่าชีวิตเขาหรือไม่ก็ตามอะรูปร่างอนะันนี้มันก็ถึงเวลามันแตกดับมันก็แตกแตกดับไปเองมันเลย เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องดำลิดที่จะไปทำลายร่าง่านรูปร่างของใครตัวใครในโลกนี้เลยไม่จําเป็นนะเพราะว่ามันมันมันจะแตกกระดับของมันอยู่แล้วนี่ไม่จําเป็นต้องไปทำลายร่างมันเลยเพราะถ้าผูไดไปคิดทำลายร่างอย่างว่านี่มันก็เป็นกรรมเวรเวรตามสนองให้เป็นทุกข์ไม่รู้จบรู้สิน้นนี่มันต้องพี่นาะเห็นอย่างนี้มันถึงบรรเทาความโกรธความมายบาทตรงได้คนเรานะ อันนี้แหลนะนาะว่าเป็นน้ําอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยเ อ, อน้ําเมตตาน้ํากรุณานี่อันนี้เป็นน้ําอันศักดิ์สิทธิ์ทีเดียวในพระพุทธศาสนานี่นะดังนั้นนะทุกคนต้องดื่มต้องพยายามดื่มน้ําอันศักดิ์สิทธิ์นี้ไว้ในใจไม่ใช่ดื่มไว้ในร่างกายนะดื่มไว้ในใจนั่นแหละโน้อมเข้าไปสู่จิตใจให้ได้ ไม่ใช่ว่าเพียงได้จำเอาตัวตั ว, ต ว, ตวหนังสือไว้ได้เท่านั้นแล้วนึกว่าตนมีเมตตาธรรมอยู่ในใจแล้วไม่ใช่เพียงแค่นั้นนึงไม่มีความหมายอะไรเท่าไหร่นักต่อเมื่อเราน้มเอาคำว่าเมตตาธรรมอันนี้เข้าไปถึงจิตใจจริงจอในใจของตนนั่นคิดมุ่งหวังว่าที่จะ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 ใจก็จึงสงบแน่วแน่ถ้าว่าใครยังสะสมกิเลสเหล่า น, นี้ไว้ในใจแลนะใจนั้นสงบไม่ได้เลยมันจะต้องฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่นั่นแหละเพราะกิเลสนี่มันไม่ยอมให้ใจสงบนะลักษณะของกิเลสมีแต่มันปั่นใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นลักษณะของกิเลสอีกอีกลักษณะหนึ่งก็ทําใจให้เศร้าหมองขุนมัวเออ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 เพราะว่าจิตนั้น ม, มันมีมันมีอํานาจเหนือร่างกายนี้เอมันเป็นอย่างนั้นแม้ความหลงก็เหมือนกันนะเราก็ต้องเอาน้ําคือสติสัมปชัญญะนี่แหละเป็นน้ําสําหรับล้างความหลงให้ได้ความหลงในที่นี่เนื้อในใจความแห่งความหลงก็หมายความว่ามันระลึกถึงเรื่องนั้นไม่ได้เลย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 ไม่ไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยไม่ได้อะไรถึงแม้บุคคนใดจะส่งใจไปผูกไปพันไว้ด้วยความยินดีก็ตามยินร้ายก็ช่างผลสุดท้ายมันก็ไม่ได้ของเหล่านั้นเลยนี่เพราะเหตุนั้นแหละเมื่อหายหลงแล้วมันยังเกิดความรู้ความเห็นอย่างนี้ขึ้นมาแทนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึด มันถือมันแท้ๆรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆดังกล่าวมานี่เป็นอย่างนั้นต้องศึกษาให้รู้ความจริงนะจิตใจของคนเรามันคล้องอยู่ในกรรมมะุณทั้งห้านี่แหละอยา่าไปอย่างอื่นใดเลยแม้จะเป็นนักบวชก็ช่างนะหลีกออกจากกรรมมะุณทางกายมาแล้วแต่ใจนั้นสิ มันยังไปผูกพันอยู่อ่ะนี่ต้องเพ่งดูตัวเองให้มันเห็นออนักบวชทั้งหลายนะหรือว่าผู้ครองเรือนทั้งหลายก็เหมือนกันนะออไปเพ่งอยู่แต่ความพอใจในการมคุณจนเกินขอบเขตอันเป็นเหตุให้ได้ร่วงสินข้อที่สามที่ว่ากรรมเมสงมิฉาจาย์ ไอ้เช่นนี้มันก็ก่อให้เกิดบาปอากุศลนี่บุคคลผู้เพิดเพลินในการมคุณเกินขอบเขตจะเป็นผู้ครองเรือนก็ดีมันก็นำทุกขนำโทษมาให้ <Okay. S 1> แต่ถ้ารู้จักพอดีไม่ไม่ให้ร่วงศินข้อพุทธบัญญัติต่างกล่าวมานั้นมันก็ไม่เกิดโทษเกิดทุกอย่างหยาบคายไร้กาศแต่มันก็ต้องให้เกิด โทษเกิดทุกในการเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารอันนี้แต่มันไม่ถึงกับไปให้เกิดทุกในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นหมายเขามาอย่างนั้นโทษแห่งกรรมคุณคนี่นะพ้นจากทุกชนิดหนึ่งมันก็ไปติดอยู่ในทุกอีกชนิดหนึ่งนี่มันต้องใช้ปัญญาคิดใขค่ควรให้มันเห็น ผู้ครองเรือทั้งหลายถ้าพญานาคเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่หมกมุ่นอยู่ในกรรมคุณโดยส่วนเดียวจะหาหนทางสั่งสมบุญกุศลฝึกผลกายวาจาใจทั้งตนให้บริสุทธิ์จากบาปโทษมลทินต่างๆหมายความว่าผู้นั้นตื่นตัวได้หายหลงและจะจะไม่ยึดถือเอาบาปเอาโทษทั้งหลายติดตัวไปเลยแม้ว่า จะต้องเกิดอีกในโลกหน้าต่อไปก็จะไม่หาบเอาบาปเอาอากุศลต่างติดตัวไปจะเอาแต่บุญแต่คุณนี่แหละเป็นญาณภาหานะรองรับดวงเกิด น, นี้ไปสู่โลกหน้ามันถึงจะมีความสุขได้นี่ผู้ไม่หลงไม่เมาผู้ตื่นตัวมันก็ต้องเป็นเช่นนี้แหละผู้ผู้ไม่หลงก็หมายความว่ารู้ได้เลยว่า จ, จิตใจของบุตุชนคนเรานี่นะมันมีทั้งดีทั้งชั่วมักหมมอยู่ในใจนี่มานับชาติไม่ท่วนแล้วที่ร่วงแล้วมาไม่ใช่วมีแต่ดีรุน่นรุ่นแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีแต่ชั่วรุวน่นรุนไม่ใช่นะอืมนั่นแหละไอ้ผู้ที่หายหลงหายเมาอย่งว่าตื่นตัวอย่างนี้แล้วมาพี่นาเห็น จ, จิตใจตัวเองมันมีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ในนี้ ดังนั้นแ่ะจึงต้องมาภาวนาโน้มใจลงสู่ความสงบแล้วใช้ปัญญาวินิจฉัยดูว่าจิตใจนี่มันยึดเอาความชั่วไว้อย่างไรบ้างนี่มันก็เห็นแหละเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็มันก็รู้เรื่องตัวเองรู้ฤทิ์ใสใจของตัวเองว่ามันชอบยึดเอาความชั่วอย่างนี้อย่างนี้ไว้เช่นบางคนนะมันเคยชอบโลภเล่งเพ่งเล็งไปในสมบัติผู้อื่นบ้าง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 เมื่อบุญคุณนี่เกิดขึ้นในจิตนี้แล้วจิตนี้จะไม่กระสับกระส่ายไปทางอื่นเลยจิตนี้ถ้าไม่มีบุญมีคุณตั้งอยู่ภายในนี้แล้วมันมันว่าเวเออมันเมื่อมันว่าเวมันก็ต้องคิดสายไปเนะมันคิดสายไปหาที่พึ่งนะที่มันคิดไปนั่นมันคิดสายไปหาที่พึ่งไปหาความสุขเ อ, อทําอย่างไรเราถึงจะมีความสุขได้นี่เมื่อมัน <c oughs> มันมองไม่เห็นว่าความสงบจิตนี่นเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมนี่มันก็มองเห็นวัตถุสิ่งอื่นภายนอกนุนว่าจักอำนวยความสุขให้แกตนเงิ น, ห, น, นหรือลาบยศสรเสริญหรือมอเนี้ถ้าตนได้สิ่งโมนี้มาแล้วตนก็จะมีความสุขพอมันคิดเห็นอย่างนี้แล้วใจมันก็เพ่งเลงไปทั่วเลยแบนี้มันเบ่งัน ทีนี้ถ้าหากว่ามันน้อมบุญน้อมคุณนี่เข้ามาสู่จิตใจนี้ได้มามองเห็นบุญเห็นคุณนี่ว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดกให้ตัวจิตนี้ได้จริงๆอย่างนี้แล้วจิตมันก็ยู่แล้วมันก็ไม่คิดกระสับกระส่ายไปแสเวงหาอะไรต่ออะไรภายนอกเลยทีนี้มันก็สงบนิ่งอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนี่แล้วก็สบายก็อิม่มอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนี้แบบนี้ แม้ว่าทรัพย์ภายนอกนั้นจะไม่มีมากมายแต่เมื่อมีทรัพย์ภายในคือบุญกับคุณนี้แล้วมันก็อิ่มใจมันก็อิ่มแล้วก็สงบอยู่ได้นี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าการภาวนานี่นะไม่ว่านักบวชไม่ว่าครือหัดก็จึงว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นจริงๆสำหรับผู้ต้องการความสุขอันเป็นแก่นสารแล้วไม่ควรที่จะไปคิด ว่าอืเราเนี่ครองเรือนไม่มีโอกาสที่จะได้มานั่งสมาธิภาวนาจิตใจก็ไม่สงบเพราะว่าอันนั้นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีเอมันต้องคิดต้องอ่านหาอะไรต่ออะไรอยู่เนี่ยมันจะเอาเวลาไหนมาภาวนาให้ใจสงบนี่บางคนส่วนมากแลยมันมันคิดอย่างนี้เลยจึงเลยไม่สนใจเรื่องสมาธิภาวนาเลย นั่นเป็นความเข้าใจผิดผู้ใดไม่สนใจสมาธิภาวนาผู้นั้นยิ่งได้รับความทุกข์ใจมากเพราะว่าตัณหาความอยากไม่มีสิ้นสุดเลยส่งเสริมมันเท่าใดมันยิ่งมากขึ้นไปเท่านั้นเมื่อความอยากมันมากเข้าไปเท่าใดความทุกข์ใจมันก็มากขึ้นเท่านั้นไม่มีสิ้นสุดเลยแล้วเหลือแต่คิดเหลือแต่อยากได้แต่ไม่ได้เพราะอะไรแล้ว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 ใครๆมันก็ต้องรวยเหมือนกันหมดไม่ใช่เหรอลองคิดดูฮะเพราะว่าท่างคนก็ทำการทำงานแสวงหาเงินทองเหมือนกันนะแต่แล้วมาทำไมมันถึงไม่ร่ำรวยบางคนก็รวยอย่างนี้นะนั่นแหละให้พึ่งเข้าใจว่าชีวิตของคนเรานี่มันอยู่ในกรอบแห่งบุญแห่งกรรมก็ใครทำบุญกุศลทาความดีมามากในชาติก่อนนะผลแห่งความดีนะั้นมันก็มาอานวยให้เขาจเจริญรุ่งเรืองด้วยลาบยศสรเสริญ ความสุขกายสบายใจมีอายุยืนยาวนานมีผิวพรรณผุดผ่องมีรูปสวยรูปงามอันนี้ล้ว น, นแต่เป็นผลแห่งความดีที่เขาทํามาแต่ชาติก่อนทั้งนั้นเลยเป็นอย่างนั้นแต่ถึงอย่างนั้นคนพู้เช่นนั้นมันก็ยังยึดติดความอยากไม่ได้ดอกเขามีเท่านั้นแล้วแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้ภาวนาไม่ได้ห้ามใจไม่ได้สงบ ความอยากลงไปบ้างอย่างนี้เขาก็ถือว่าทรัพย์ที่เขามีอยู่ั น, น้อยนิดเดียวเหมือนกันเนี่ยไม่พอแก่ความอยากมันยังอยากได้มากกว่า น, นั้นเข้าไปอีกนี่พระพุทธเจ้าจึงเรียกว่านัตถิตันหาสมานาทีแม่น้ําเสมอด้วยตันหาไม่มีนี่พระองค์เจ้าทรงตรัสภาษิดนี้ไว้อตันหาของมนุษย์เราเนี่ยตันหาในใจนี่นะ่ะความอยากของจิตใจนี่นะ มีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทะเละที่มีอยู่ในโลกนี่ น, นะลองคิดดูมันก็เป็นความจริงแหละเป็นความจริงทีเดียวเพราะว่าทุกคนย่อมรู้ดีนะได้มือนหนึ่งแล้วยังไม่จูใจนะอยากได้สองหมืนได้แสนหนึ่งแล้วยังไม่พออยากได้ล้านนี่นะโอเงินแสนหนึ่งเอามาทำอะไรได้เพราะวะ่าออ ลงทุนค้าไปหน่อยหนึ่งก็หมดแล้วถ้าได้สักล้านหนึ่งยังชั่วหน่อยท่านเมื่อได้มาล้านหนึ่งแล้ววันนี้เอาการค้าการงานขยายออกไปอีกจ่ายออกไปเงิเนล้านหนึ่งไม่พอแล้วมันก็อยากได้สองล้านอยากได้สิบล้านเข้าไปนู่นในวันนี้เพราะฉะนั้นจึงว่ามันไม่มีสิ้นสุดความอยากนี่นะถ้าบุคคลห้ามจิตใจตัวเองไม่ได้แล้ว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 ดังนั้นพวกเราที่เป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าผู้รู้ประเสริฐในโลกเนี่ยเรารู้อุบายรู้แนวทางอย่างนี้แล้วนะก็ควรฝึกจิตของต น, นเข้าไปเรื่อยๆจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาไปให้แก่กล้าไปเรื่อยๆเช่นนี้แล้วจิตใจนี้มันก็จะค่อยตั้งมั่นลงไปมีสติมีปัญญาปกครองอยู่ออ อารมณ์ที่น่ายินดีนหลายท่านก็จะซึมซาบเข้าสู่จิตใจนี้ไม่ได้ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุดติลงเพียงเท่านี้